จากขู่ทวาริการตีมหันตารมวิถีแต่ธารมนาวละนะีดูตรงนี้ก็แล้วกันอตีต่าผวังผวังกัจรนะนาผวังคุปเฉทปัญจทวารละวัชนะจากขูญญ่อินยานสัม ป, มปมติาานชนะสันติระนาวุฒทพนาเฉลนะเจ็ครั้งแต่ธารมนาสองครั้งแล้วเขาผวังต่อไปอันนี้ดูเข้ามาในอตีมหันตารมวิถีเลยไม่ได้ดูวิถีแนวตั้งแล้วดูวิถีอตีมหันตารมวิถีนี่เลยนะพี่ไล่ไปตามลําดับทีนี้วิธีการทําความเข้าใจก็คือว่าคําว่าอตีต่วัง เขาแปลโดยตรงตัวก็คือว่าพระวังที่มีรูปารมผ่านไปแล้วคำว่าตีแต่พระวังเนี่ยนะที่เรียกว่าผ่านไปแล้วเพราะมีรูปารมเกิดขึ้นพร้อมกับอุปาทัศขณะของตีแต่พระวังและก็ผ่านไปเฉยๆผ่านไปเฉยๆม่ยังไม่กระทบกับจักรคุป萨าายังไม่กระทบกับจักรคุป萨แล้วก็บอกว่า ม, มโนทวาลก็ยังไม่ ตัวผวังขจรไอตัวมโนทวานตัวนั้นก็ยังไม่ไหวใช่ไหมวิถีมุตตจิตเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําจิตไหวเลยตรงนั้นเราเรียกว่าอาตีตะวังมองเห็นใช่ไหมอตีตะวังตรงนั้นเนี่ยทีนี้พอผวังคจารณนะผวังคจารณะเนี่ยเแปลว่าผวังไหวไหวเนี่ยในวิถีมาจากคําว่าลักษณะของการไหวเนี่ยไหวยังไง พระวังกัจจายนะไหวไหวยังไงไหวเพราะว่าปัญจารลมเออขอโทษทีในที่นี้คือรูปารลมนะรูปารล์นั่นมาปรากฏปรากฏที่ไหนฮะปรากฏที่ไหนปรากฏที่จักรคุทวารปรากฏที่จักรคุป萨บ้บางแห่งนั้นใช้คําว่ากระทบตรงเนี้ยนะคือกระทบแล้วตามไปนะตามทัดนะดูตามลำดับไปนั่นคือพระวังกัจจายนะก็แปลว่าเป็นพระวัง ขั้นที่สองนั่นเองถ้าผวังคู่ปะเฉทาล่ะก็หมายความว่าตัดกระแสผวังทําไมจึงเรียกว่าผวังคู่ปะเฉทะเพราะเหตุว่าการเกิดขึ้นของผวังผวังกจิตเนี่ยไม่ตรงนี้เนี่ยจริ ง, รงๆเนี่ยเขาโดยกาความหมายเขาคือผวังขาดนั่นแหละตรงนี้นะแต่มันขาดไม่จริงที่กําลังจะพูดเนี่ยมันขาดยังไม่จริงคือมันยังยังยังเป็นตัวเขาอยู่ยังไม่ขาดจริงว่างั้นจะทีนี้ เกี่ยวกันในเรื่องตรงนี้นี่นะที่ออกยังพระวังคู่ประเฉท้าก็หมายความว่าตัดกระแสพระวังเนี่ยที่เรียกพระวังคู่ประเฉท้นั้นเพราะเป็นการเกิดขึ้นกันของพระวังคจารณะดวงที่2ก็คือจริงๆก็พระวังขจารณะนั่นแหละไปเกิดขึ้นครั้งที่2เกิดขึ้นได้เป็นครั้งสุดท้ายในวิถีหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเพราะไอตัวพระวังคจรณะนั่นแหละเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเลยเรียกว่าเป็นพระวังคู่ประเฉทะมองเห็นใช่ไหมตัวเนี้ย แท้จร <Yes. S 1> ิงก mm ็คือเป็นการเกิดขึ้นกันของของพระวังคจจายนะครั้งสุดท้ายนั่นเองเพราะคําว่าพระวังคจรานะเนี่ยโดยความแปลงเขาเขาแปลว่าพระวังไหวนี่ก็คือพระวังไหวเป็นครั้งที่สองนั่นแหละคือไหวเป็นครั้งที่สองแต่ต่อไปเขาจะไม่ได้ไหวอีกแล้วเลยเรียกว่าเป็นพระวังคุปเชธาใช่ไหมที่เรียกเป็นเป็นอย่างนั้นพอว่าพระวังค่าเนี่ยเขาแปลว่ากระแสพระวังอุปเชทาเขาแปลว่าตัดขาดพระวัง คูประเชษทาก็คือตัดกระแสผวังขาดถามว่าที่เรียกว่าตัดกระแสผวังขาดเนี่ยตัดกระแสตัดกระแสเนี่ยหมายถึงปกติและสัตว์ที่มีผวังและจิตเกิดติดต่อกันมากใช่ไหมเออมีคําว่ า, า ง, งี้แต่ถ้ากระแสเนี่ยถ้าไปดูในคัมภีร์อย่างยกยกตัวอย่างเช่นไปดูในมานิเทศก็ดีไปจุนจุเรนิเทศมานิเทศหรือไปดูในคัมพีทั่วทั่วไปเนี่ยคำว่ากระแสมีกี่อย่างนะกระแสคือตันหา ใช่ไหมตัณหาเป็นกระแสได้ไหมได้ไม่ได้กระแสคือตัณหาเจ๊ะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นผ้าชิตาไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระแสเหล่าน <Yes. S 2> <is> ั้นอ่าอะไรเป็นเครื่องทำเราใดเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นแล้วจะละกระแสเหล่านั้นได้อย่างไรเจ๊ะฮะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากระแสคือโลภะกระแสคืออะไรกระแสคือกิเลสกระแสคือทุจริตกระแสคืออวิชชา อันี้่อย่างเน่ยไหมถามว่าจะการกระแสเหล่านั้นได้ด้วยสติคือจเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าจะจะละกระแสะเหล่านั้นได้เด็ดขาดก็ด้วยปัญญามรรคปัญญาสามารถที่จะละกระแสะเหล่านั้นได้แต่กระแสในที่นี้ไม่ใช่กระแสในที่นี้คือเป็นกระแสของอะไรผวังคู่ประชีเนี่ยผวังฆะเนี่ยโสตาเนี่ยกระโสตาไอ้ผวังคะผวังฆะเข้าไปว่ากระแสผวังเนียปกตินี้นะ คําว่ากระแสเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะมีผวังเกิดติดต่อกันมากดูดกระแสน้ําไหลไปไม่ขาดสายใช่ไหมก็แปลว่าถ้าเรามองถึงสายน้ําที่ไหลตลอดเวลาที่ไม่ขาดเนี่ยไม่มีอะไรไปตัดกระแสน้ําให้ขาดฉะนั้นในตัวผวังคูประเททิทธเนี่ยเป็นข้อบ่งบอกว่ากระแสผวังจะขาดแล้วกระแสผวังจะขาดแล้วนะเพราะการเกิดขึ้นกันของผวังขจรนะขารณะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ต่อไปในะกระแสของพระวังจะขาดเหตุตไม่ใช่ถ้าตัวตัดกระแสรพระวังจะมีอีกตัวหนึ่งคือปัญจทวาราวชนะเพราะตัวพระวังคุปเฉถะเนี่ยเป็นพระวังเกิดได้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีพระวังเกิดอีกต่อไปจะมีวิถีจิตเกิดต่อไปคือปัญจทวาราวชนะนั่นเองฉะนั้นตัวปัญจทวาราวชนะเป็นวิถีไหมเป็นไม่เป็นปัญจทวาราวชนะนั้นเป็นวิถีจิตทีนี้ ปัญจทวาราวชนะเป็นวิถีจิตใช่หให้สังเกตก็คือว่าวิถีไหนมีผวังคู่เปรเยทะวิถีนั้นก็จะต้องมีปัญจทวาราวชนะหรือมโนทวาราวชนะแน่นอนคือการตัดกระแสน่ฉะนั้นปัญจทวาราวชนะจึงมีหน้าที่สองอย่างทว่าไปนะแต่จะเพิ่มนะประการแรกคือว่าตัดกระแสผวังขาด ตัดขาดแน่นอนเลยนี่ยตัดร่วม ก, กันกับพระวังคู่ประเฉท้ซึ่งมีหน้าที่โดยอ้อมใครมีหน้าที่โดยอ้อมใช่ไหมปัญจทวารและวชนะถ้าจะพูดไปเหมือนเหมือนอ้อมเหมือนตัดโดยอ้อมไหมใครตัดโดยตรงใครตัดโดยอ้อมถ้าพิจารณาอย่างนี้ปัญจทวารแลวชนะนี่โดยตรงหรือโดยอ้อมโดยตรงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพระวังคู่ประเฉท้ก็ต้องว่าโดยอ้อมก็ไปดูกันก็นแล้วกั น, กนว่าอันไหนโดยตรงโดยอ้อมไปพิจารณาดูแต่มันจะมีโดยตรงกับโดยอ้อมอยู่เนี่ยพระวัง ใช่พระวังคู่ประเฉทะนั้นโดยอ้อม<ช>อย่างนี้พวังคู่ประเฉทะโดย อ, อ้อมส่วนปัญจทวารลวชนะโดยตรงใช่ไหมนี่นี่เป็นอย่างนั้นนี่พิจารณาในขณะที่ปัญจทวารลวชนะเกิดขึ้นนะ่ะตัดกระแสพระวังขาดร่วมกันกับพระวังคู่ประเฉทะซึ่งพวังคู่ประเฉทะนั้นตัดโดย อ, อ้อมปัญจทวารลวชนะก็ต้องตัดโดยตรงทีนี้ประการต่อมาประการที่สองคือว่าพิจารณาลมใหม่ ทิ้งอารมณ์เก่าซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงใช่ไหมเพราะผวังคุปเฉท่านี่ยังไม่ทิ้งอารมณ์เก่านี่ทําท่าจะสลัดอารมณ์เก่าทิ้งแต่ยังไม่ได้สลัดทิ้งถามว่าอารมณ์เก่าของเขาคืออะไรอารมณ์ประจําพบประจําชาติมีกรรมมอารมณ์กรรมมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์นั่นเองใช่ไหยของของผวังของเขาเป็นอย่างนั้นนะนะก็ตรวจสอบอย่างนั้นใช่เอาชนะด้วยแล้วก็ตัดกระแสผวังด้วย นี่นก็ดูอย่างนั้นทีนี้ถามบอกว่าจิตประจําตัวของสัตว์ในภพหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยก็มีสิบเก้าดวงใช่ไหมที่มาทําหน้าที่เป็นผวังอาตีแต่ผวังผวังก็เจะะนะรณาผวังคกุบะเฉทานี่แหละคือจิตประจําตัวของสัตว์ทั้งหลายในภพหนึ่งหนึ่งแล้วอารมณ์ของสัตว์ทั้งหลายในภพหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งก็ได้แก่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ เพราะพี่เราเกิดอยู่ใช่ไหมถ้าภาวังก็เกิดอยู่เขาเป็นดั่งกระดุดกระแสน้ําอยู่แล้วที่บางทีมันก็น่าคิดกันนะว่ามันเหมือนบอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในภาวางังอยู่มันก็จะไหลไปเหมือนกับกระแสน้ําแล้วก็มีอารมณ์ในพบเก่าของตนเองนั่นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็ลาบอารมณ์ไปอย่างไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็ไม่รู้เพราะเป็นวิถีมุตจิตมันพ้นจากวิถีจิตนี่เป็นทวาระวิมุติจิตพ้นจากทวารทั้งหกนี่ ไม่ได้อยู่ในจักรกุทวานโสตธวานคารนาธวา น, น, วานชีวะธวานกายยะธวานและมโนท ว, วานไม่รู้รรรใช่ไหมเว้นไว<ม>้ไแต่พระพุทธเจ้ า, าเป็นต้นที่ท่านท่านพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะสามารถรู้กรรมนิมิตของกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์กตินิมิตอารมณ์และก็รู้ตัวผ <ôi> วังของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นถ้าหากในขณะที่เราอยู่ในผวังกจิตกันหรือสัตว์โลกทั้งหลายกําลัง ให้รวังกัจิตไหลไปไม่ขาดสายเขาเรียกว่ากระแสรวังก็ไหลไปใช่ไหมแล้วไหลมากแล้วเราไม่รู้จะไปไหลกันอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเป็นทุกขสัตว์นะเนี่ยถ้ากําหนดจริงๆเป็นทุกข์สัตว์นะครับกําหนดได้แต่กําหนดโดยฐานะโดยภาพกว้างๆนั่นแหละคือทุกข์สัตว์ก็ให้รู้ว่าตราบใดที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้อารมณ์ในปัจจุบันนะพบก็ให้หรือไม่ได้ขึ้นสู่วิถีจิตก็ให้รู้เลยว่านันรวังไหลแล้ว ไหลยอย่างกระแสน้ําเลยเมื่อไหลมีผวังคู่ประเชทะมามีปัญจทวารลวัชนะหรือมโนทวารลวัชนะครั้งหนึ่งก็ตัดกระแสได้ครั้งหนึ่งพอไปได้ระยะหนึ่งหมดเหตุหมดปจัจจัยก็ลงสู่ผวังไหลไปอีกแล้วเป็นเช่นนี้แหละถ้าภาริยาทั้งหลายท่านมองเห็นเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราเราก็บอกเมื่อไหลจะเข้ากับผวังใช่ไหมแต่ทัด ถ, ถ้าได้ไปทํำผวังในเดินมีความสุขไหมมีไม่มี ให้พระวังเกิดสืบต่อกันนานๆคิดว่ามีความสุขจริงไหมแต่พ ร, ระพุทธง่ายๆก็คือบอกว่าไม่ต้องยืนเดินนั่งแล้วไม่ต้องยืนเดินนั่งอะไรและนอนอย่างเดียวเนี่ยคิดว่าสุขไหมสลบไปสักห้าปีมีแต่พรวังเกิดฮะอให้พรวังไหลอ ย, อย่างเดียวเดี๋ยวก็บอกวอาแง่ไงก็วิ่งเอาหวาัวทุ่มกลางปา้ายต้องการมันจะขึ้นเป็นวิถีจิตทั้งนวโนตะวนันโอ้โหยเครียดเนี่ย นอนเครียดเนี่ยกับพริบตาเที่ยงแต่จะกระพริบตาก็กระพริบไม่ไหวอ่อนเลอะนจิตติชรูปเกิดจริงแต่ว่าสภาพของโครงสร้างร่างกายไม่สามารถจะกระดิก น, นี่เขาเรียกว่าจิตประจําตัวประจําตัวของสัตว์ในพบหนึ่งหนึ่งก็ได้แก่พระวังและจิตนี่แหละงั้นพวกเราเนี่ยบางทีไอ้พระวังของเราเลยมีจิตสิทธิ์ใช้ดวงเดียวนะครับดวงใดดวงหนึ่งเท่า น, นั้นเองที่มันเกิดอยู่เนี่ยทําไมาถามว่าไปหลับหรือไปไปไปรู้อริยศาสตร์ส เพื่อเพื่อจะไปเพื่อจะไปรอบรู้ในทุกเพื่อจะไปล้าสมูททยเพื่อจะไปทำนิโรธเทแจ้งเพื่อเจริญอริยมรรตต้องต้องตอเขาอย่างนั้นถามว่าอะไรควรรู้ยิ่งโอ้คนละเรื่องเลยเอาทำไมปพราะว่าทีนี้อารมณ์ประจาตัวของสัตว์ทั้งหลายในภพหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเนี่ยคือสมบัติของเรานี่เนี่ยก็เรียกว่าเรามีอะไรติดตัวมาดงเดียว ที่เป็นผวังของใครของมันจะเป็นสมนะเป็นอุเบกขาเป็นอสังขาเล็กเป็นสัสังขาเล็กเป็นญาณสัมปยุตเป็นญาณวิปยุตหรือประเภทไหนอย่างไรก็ดูตรงนั้นฉะนั้นอัธยาศัยของคนจึงแก้ยากใช่ไหมจึงแกลจึงมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าใครรู้นี่นะคืออย่างนี้ถ้ารู้ถ้ารู้เดี๋ยวถ้ารู้จักผวังศึกษาวิถีจิตเป็นอย่างดี การที่เราจะไม่โกรธคนเนี่ยมันก็จะมากขึ้นคือรู้ผลของกรรมรู้กรรมของเขาไงว่าทำไมคนคนนั้นจะต้องมีอัตฉริยะใสเงียบขรึมล่าเลงหรือว่ามีจะพูดอะไรออกมาก็แสดงความไม่ค่อยรู้เรื่องออกมาหรืออะไรต่างๆเนี้ยนั่นมันเป็นอำนาจของวิทย์ะวังของเขาส่วนหนึ่ง ซึ่งเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีและไม่ดีอย่างไรแล้วก็อารมณ์ประจําพบประจําชาติของเขานั้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรนี่ทําไมคนคนนี้ถึงน้อมไปในเรื่องนี้มากอยู่เราก็พยายามจะแก้ไขจะให้คนบางคนเนี่ยอยากจะแก้ไขเขาจังนะทําไมน้อมหากรามอยู่เลยอยเงี้ยบางคนบางคนก็น้อมหาเนคขมมะบางคนก็น้อมไปในพยาบาทบางคนก็น้อมมาในเมตตาบางคนก็น้อมไปในเรื่องของอิจฉาริษยา น้อมไปในการเบียดเบียนบางคนก็น้อมไปในการไม่เบียดเบียนก็ดูตรงเนี้ยดูว่าเขาวันๆเขาตรึกคิดเรื่องไหนมากก็คืออัธยาศัยก็บางคนเนี่ยเขาเป็นดีนะเป็นปี่เหตุถูกกาปฏิสนธินะแต่เขาอัธยาศัยที่สั่งสมมาในพบใกล้ๆนี่มันน้อมไปคนหนึงบางคนก็ช่วยบางทีเครียดเลยนะเราบางทีเราเป็นคนอยากช่วยยังเครียดด้วยบางทีน้อมมาทางกุศลได้ดีมากาแต่มีปัจจัยอยู่อย่างนะหนึ่ง เขาฟังพระสัตยรทมไหมครบสัตย์บุรุษไหมอยู่ในที่สมควรไหมบุญเขาดีอยู่แล้วแต่มันอย่างนี้ใช่คือถ้าเหตุปัจจัยเก่าเขาทํามาดีใช่ไหมแต่เขาไปเกิดดีจริงเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจริงแต่เขาไปเคยทํากรรมร่วมกับคนไม่ดีได้ไปเกิดอยู่กับคนไม่ดีมีโอกาสคลาดสูงก็ลองดูชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาสิครับเถ้าเป็นอย่างพระโมคคารนะภาษาริบุตรเนี่ย อย่างนี้น้อมหาปัญญาเนี่ยนอนใช่ไหมถ้าน้อมหาปัญญาถึงจะเกิดในกลุ่มมิจฉาทิฐิเนี่ยแต่ก็จะน้อมหาปัญญาแต่ถามว่าเท่าถ้าเรามองอย่างเราเนี่ยโดยตรงนี้ว่ามันน้อมหาปัญญาหรือน้อมหาโมหะก็โดยตรงนี้ถ้าในกลุ่มของพระภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะนี่น้อมหาปัญญาพอบวชเข้ามาแล้วไปแล้ว ห, หาปัญญาจริงจริง ดูอะไรแล้วคิดพิจารณาไม่เพลิดเพลินโอ้บางคนนี่เพลิดเพลินจนไม่รู้จะเพลิดเพลินยังไงยังเป็นตัวนำของความเพลิดเพลินได้ยังเสียเลยทรนี้แต่เงี้ก็เรียกว่าจิตมันไม่น้อมไปไม่น้อมไปหาบุญด้วยบางทีเนี่ยให้สังเกตโดยติว่าการน้อมบางครั้งที่บางครั้งก็น้อมบุญธรรมดาแต่นั้นเนี่ยสังเกตไหมบางทีก็ น, น้อมก็หาบุญธรรมดาแล้วก็ น, น้อมก็หาบุญก็ยังน้อมผิดด้วยนะไองเงี้ยเป็นตอนเกิดบอกโอ้ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยครับ บางทีเราอยากจะตรึกช่วยใครสักคนเนี่ยนะช่วยไปช่วยมาบางทีเลยลืมตัวเองซะอยีกเลยอยากจะช่วยแต่คนอื่นคนอื่นในตัวเองเครียดอยู่งั้นเกิดเงีเสีอยอีกเลยลืมไปที่นั้นบางครั้งเนี่ยเราความกรุณาเนี่ยจะแปลกนะครับที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์จึงปราศนาเป็นพระพุทธเจ้าเห็นท่านรู้ใช่ไห อาทะยาสายจะได้อรหธรรมะเฉพาะหน้าแล้วท่านแมวแปลว่าท่านรู้เป็นอย่างดีเลยเห็นโทษของวัตฏะประดุลตั้งหลุมทานเพิงเห็นพบทุกพบเหมือนกับไฟไหม้เห็นอย่างนั้นเลยแต่ความกรุณามันมากกว่ามากกว่าที่จะเอาตัวเองรอดพ้นทําอรหมรรมเกิดนั้นความมหากรุณาที่คุณรู้มหากรุณาคุณของพระเจ้าที่ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราก็ได้รับ ประโยชน์กันที่มาศึกษาอยู่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องนิดเดียวหรือคิดคนธรรมดาคิดทำไมละ่ะคนที่มีความกล้าที่จริงการเจริญกุศลนี่อยู่ที่กล้าหรือไม่กล้ากันนี่ถ้าวิริยะดีนี่ถ้าถึงกับความเป็นวีระคือกล้าแล้วนี่คือกล้าที่จะคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าคิดกล้าที่จะทําอย่างที่พระพุทธเจ้าทํำนี่กล้าที่จะพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ถ้ากล้าอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยอะไรดึงไม่อยู่ะ แต่ถ้า เ, าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนียุ่งกัี่บางทีกลัวกลัวกลัวเขาเกรงใจเงนินนะสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นนะเวลาจะเวลาจะเจริญกุศลยังกลัวคนอื่นเขาเกรงใจกลัวคนบาปเกรงใจเสียเลยเกรงใจเขานี่คือคำว่ากระแสน ะ, ะแล้วก็คําว่าปัญจทวารลวัชนะทีนี้จิตประจําพบประจําชาติหนึ่งหนึ่งทีนี้จิตที่ประจําตัวของสัตว์ทั้งหลายก็คือว่าพระวังกับจิต19 แล้วก็อารมณ์ประจําตัวของสัตว์ทั้งหลายในพบหนึ่งก็คือกรรมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตรอารมณ์เนี่ยถามว่าเราจะรู้ไหมว่าเรามีกรรมะอารมณ์กรรมนิมิตหรือคตินิมิตเราจะรู้ไหมว่าเรามีอารมณ์ประเภทไหนเรไม่รู้เลยแต่ให้รู้เพียงว่ากรรมะอารมณ์ได้อารมณ์หนึ่งคือเป็นธรรมารมณ์อย่างเดียวกรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ได้อารมณ์6ใช่ไหมคือรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ละสารมณ์โผฏฐาพารมณ์ และธรรมอารมณ์เนี่ยที่ปรากฏใกล้จะตายอารมณ์เหล่านั้นมาปรากฏใกล้จะตายเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นกรรมมะอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิตเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมมาปรากฏถ้ากรรมมะอารมณ์ใช่ได้ธรรมอารมณ์ได้อารมณ์หกเป็นอารมณ์ทั้งในทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทั้งนั้นได้สามการนะแต่ถ้าหากว่ากรรมมะอารมณ์นี้เป็นอดีตอารมณ์อย่างเดียวนะเอาต่อไปก็คือว่า วิถีจิตที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่วิถีจิต80ดวงนี่คือเกิดขึ้นใหม่ในพบนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับนี่คือวิถีจิตที่เกิดขึ้นใหม่นะแปดวงเว้นมหคัะตะวิบาก9เนี่ยใน80ดวงนี่คือวิถีจิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันใะพบนี้นี่ให้รู้อย่างไงนะแยกให้ออกนี่คือวิถีจิตใหม่ส่วนวิถีจิตที่ประจํำพบจริงๆเลยนะ่ยไม่แปลสภาพเป็นวิถีเลยนะี่ย รูปวิบาก5อรูปวิบากรูปาวัจราวิปากจิต5กับอารูณปาวจราวิวปา ก, ากจิตแทนนั้นใน9ดวงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิถีมุตจิตโดยถาวรเป็นผวังคจิตด้วยนะนี่เป็นอย่างนั้นแทนั้นอวิถีจิตที่เกิดขึ้นใหม่ก็80อารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้แก่อารมณ์6หรือว่าโดยอาการของอารมณ์ก็ได้แก่วิสยาประวัติ6หรือ8 ที่นอกจากกรรมมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์นั่นเองใ ห, ให้ให้พิจารณาอย่างนั้นถ้าดูบอกว่าไอ้วิถีจิตเกิดขึ้นใหม่จริงๆเนี่ยนับยังไงนับ80เลยนะีทีนี้ถามบอกว่าคําว่าผวังเนี่ยผวังหรือว่าจิตที่รับกรรมมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์เนี่ยไม่ใช่อาคันตุกะผวังนะไม่ใช่เพราะอาคันตุกะผวังเนี่ เป็นจิตที่รับอารมณ์ใหม่ที่ชํานาญและในภพนี้เห็นไหมตัวอาคันตุกะผวังนั้นเป็นจิตจิตใหม่อารมณ์ใหม่แต่ชื่อคล้ายๆ ก, ก, กันกับว่าผวางังเป็นจิตใหม่อารมณ์ใหม่อันนี้ส่วนรายละเอียดต้องไปว่าอีกทีนเนี่ยแต่ให้รู้ไว้ตรงนี้อา่าก็เป็นอาคันตุกะผวงังก็เป็นอาคันตุกะผวังจะบอกผวังเฉยๆได้ไงเขาเรียกจอนมาวิธีจิตที่จรนมา ฉันคำว่าพระวังในที่นี้ไม่ใช่อาคารตุกกะพวังเพราะอคารตุกาพะพวังเป็นจิตที่รับอารมณ์ใหม่ที่ชํานาญในภพนี้จิตใหม่อารมณ์ใหม่แต่คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันกับพระวังสภาวะ เ, เนี่ยเหมือนกันสภาวะ<ม>เหมือนกันเป็นองค์ธรรมเขาไงสภาวะอาคารตุกกะพระวังอา <ories S 1> คารตุกกะเขาแปลว่าแขกพระวังก็คือพระวังแขกที่จรมาพระวังจรมาก็ได้ไม่ใช่พระวังธรรมดา อัตตาเราม่น่จิตใช่ผวังไหมเออนั่นแหละกระดูตรงนั้นเป็นประมาณถามว่าถ้าจะไปบอกว่าไม่เกี่ยวเลยองค์ธรรมว่าไปว่ามาองค์ธรรมมันเดียวกันแต่เขามาทํากีจต่างกันก็ใช่ทํากีจต่างกันใช่ไหมก็ให้เข้าใจตรงนั้นเสียว่าเขามาทํากิจต่างกันอารมณ์ต่างกันเขาไม่ได้รับอารมณ์ในพบเก่าก็ให้เขาชื่อซ้ํากันบ้างอนีรแล้วเขไปดูรายละเอียดอีกทีนะเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนทีนี้กรรมมานิมิต กรรมอารมณ์กรมนิมิตคตินิมิตทั้งสาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของปฏิสนธีผวังจุติเสมอไปนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเราบอกเอ๊ะกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ทั้งสอย่างเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องเป็นอารมณ์ของปฏิสติสันธีผวังจุติเสมอไปไหมอาจจะตอบวันนี้เราจะว่าไงเนี่ยเราจะว่ายังไงเราบอกไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิผวังจุติแล้วก็ปฏิสนธีเสมอไปใช่ไหมอ่า เน้นลองดูงี้ถามว่าปฏิสนธิจิตรับกรร ม, มอารมณ์กรรมนิพพิทุคตินิมิตใช่ไหมผวังและจุติก็เหมือนกันแต่ถามว่าวิถีจิตหลรับกรร ม, มอารมณ์ได้ไหมกรรมนิมิตได้ไหมคตินิมิตได้ไหมบอกได้ทําไมไม่ได้เอาคนใกล้ตายไงใช่ไหมวิถีจิตที่ใกล้ตายไงเช่นเช่นอย่างเงี้ยเรารู้สัต์โลกทหลายกําลังจะตายเนี่ยในขณะที่ใกล้ตายเนี่ยอารมณ์นั้นมาปรากฏ อารมณ์ใดมาปรากฏตรงนั้นเน่ยชาวหน้าขึ้นไปรับไหมวิถีจิตไปรับไหมนั่นแหละวิถีจิตไปรับได้รับอารมณ์สาประเภทนี้เพราะอารมณ์6เนี่ยรูปอารมณ์สัทธาอารมณ์กันตาอารมณ์ลาสาร์ลมโหดถัพพลมและธรรมอารมณ์เนี่ยถ้ามาปรากฏใกล้ตายเขาเรียกเป็นกรรมมาอารมณ์บางกรรมนิมิตบางคตินิมิตบางอย่างใดอย่างเห็นไหมไม่ใช่เป็นอารมณ์ของปฏิสนธิเขาวางจุติเสมอไปนะ เป็นอารมณ์ของวิถีจิตก็ได้ถ้าคนคนนั้นรับอารมณ์ประเภทนั้นแล้วเพื่อที่จะไปตาย <c oughs> เพื่อจะไปย้ายจากพกก็อย่างพวกเราเดี๋ยวก็จะต้องไปรับเดี๋ยวก็จะต้องรับอารมณ์ก็จะต้องรับอารมณ์ประเภทนี้นะอย่างพวกเราเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าผมเองผมตั้งอัธยาศัยผมยังไงรู้ไหมผมจะตั้งอัธยาศัยว่าทํำยังไงผมจะน้อมเข้าในเรื่องดีให้มากที่สุดงั้นเวลาจะเรียนเวลาจะสอนเวลาจะอ่านหนังสือผมก็พยายามจะทําให้ผม มีจิตที่เป็นกุศลให้ผูกพันในเรื่องนั้นให้มากจะได้เป็นอัธยาศัยในการเป็นกรรมาอารมณ์บ้างกรรมนิมิตบ้างหรือคตินิมิตของเราไม่ใช่ชื่อได้ไงเพราะไม่ได้เป็นปัจจัยเก่ก่อนจะตายถ้าไปปรากฏใกล้จะตายลิ้มจะเรียกแล้วถ้าไปปรากฏใกล้จะตายอารมณ์นั้นต้องสามารถเป็นปัจจัยกิดพบต่อไปอย่าลืมเนื้อสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็สัมผัสถูกต้องและคิดนึกในปัจจุบันนี้ ที่เราอาจินกรรมมากที่สุดใช่อารมณ์ประเภทนั้นนั่นแหละจะเป็นปัจจัยอย่างยกตัวอย่างเช่นน่ยมหานุชิตเนี่ยว่าอัธยาศัยที่ชํานาญมากที่สุดเกิดสมมุติโดยยกตัวอย่างกวาดสมมุตินักวาดในขณะที่กวาดนั้นน่ะจิตก็ตรึกน้อมในการที่ทํากิจตามศิกขาบทวินัยแล้วก็ภูมิใจว่าตนเองได้เจริญกุศลและในขณะเดียวกันก็คือได้ได้เกี่ยวกับเรื่องของทางคํากิจในศาสนา แล้วก็สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ของพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยก็เหมือนกับการว่ า, เ, าเป็นการปัดกวาดที่ของสงฆ์เนี่ยซึ่งคําว่าสงฆ์นี่ก็คือทั่วโลกอยู่แล้วทั้งเทวโลกพรหมโลกที่สงฆ์เนี่ยที่ที่สงฆ์เขชุมเมื่อจะชุมนุมกันกุศลประเภทไหนเป็นอาสังขาริกหรือศาสังขาริกเป็นญาณสัมปยุทธ์หรือญานาวิประยุทธ์เป็นอินทรีย์ประเภทไหนแรงหรือไม่แรงก็อันนั้นแหละ ทีนี้ถ้าอารมณ์ประเภทนี้เวลาใกล้จะตายน้อมถึงว่าเออเราบวชเข้ามาแล้วก็ทกํากริจกิจพระศาสนาลักษณะเช่นนี้อารมณ์อย่างนี้ปรากฏและเป็นปีติสมณะเกิดขึ้นเป็นกุศลดวงแรกสมมุติอย่างนี้นีสมมุติอย่างอารมณ์ปฏิสนธิก็จะเป็นมหากุศลเออมหาวิบากสมณะดวงแรแต่มีกรรมนิมิตคืออารมณ์ประเภทนี้เกี่ยวกับว่าถ้าคิดนึกทางใจก็เป็นทางธรรมอารมณ์ที่มาปรากฏ ทางด้านจิตใจว่าปิติเกิดขึ้นในขณะที่เห็นภาพตัวเองเก่าๆที่เคยทําำดูไหมเห็นไหมว่าการทําอะไรของพวกเราทุกอย่างที่ในปัจจุบันนี้คือคือพวกเราเริ่มตั้งอริยาายว่าถ้าเราทําอย่างไม่ค่อยตั้งใจไม่ค่อยเต็มใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไอตอนที่ทาด้วยโลภะเราภูมิใจเราตั้งใจมากมองเห็นไหมมันจะกลับกันเลยตัวนี้แล้วภาพนั้นแหละมันจะไปเด่นมันจะไปหลอกหลอนเราเองอะ ที่กเรกภาพหลอกหลอนนั่นเงจริงก็คือเป็นกรรมอารมณ์กรรมนิมิตรหรือคตินิมิตนั่นแหละฉันมาทุกวันเนี่ยผมยังไม่ค่อยใส่ใจอะไรใครมากทํำยังไงที่ผมจะเจริญกุศลได้มากแค่นั้นเนี่ยแตใส่ใจก็ใส่ใจในฐานะที่จะพูดคุยเวลาจะคุยเนี่ยผมก็จะน้อมคุยธรรมะบางทีใจอยากจะคุยเรื่องอื่นเนาะผมก็น้อมตัดน้อมตัดเพราะอะไรผมสร้างอัจฉริยะสายผมเพื่อตัวเองนะครับ พอมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่รีบทํเพรามันติดยากใช่ไหมอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ว่าอารมณ์ใหม่เนี่ยรับยากกว่าอารมณ์เก่าผูกพันมากกว่าอารมณ์เก่าท่านมองเห็นไหมเนี่ยอารมณ์อารมณ์ที่เรากําลังสั่งสมทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีอิทธิพลหมดเลยครับมันจะมีอิทธิพลตอนเราใกล้ตายหมดเลยฉะนั้นเรากโกรธครั้งเดียวนี่แค่นี้ก็พอแล้วต่อการที่เราสร้างบาปเกิดขึ้น แค่เราพูดมากๆพูดด้วยเป็นประเภทมุสาวาทบ้างปิสุนาวาจาบ้างสัมผัสพราป่าบ้างแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของการส่อเสียดบ้างนี้เป็นต้นเนี่ยเสียหายหมดครับไอตรงนี้อัธยาศัยเราผิดพลาดแล้วไอตรงนี้ปรากฏแน่ไหมแน่เพราะเป็นอจินตกรรมของใครของมันถึงบอกเวลาจะกล่าวทำไมต้องกล่าวว่าทำใช่ไหมเวลาจะคิดทําไมต้องเบื้องหลังของการกล่าวนั้นมีใครอยู่เบื้องหลังพูดเถ้าเจ้าไหม เบื้องหลังความคิดเบื้องหลังของการกรนะทํำมีใครอยู่เบื้องหลัง ด, ดูตรงนั้นเนี่ยมองเห็นใช่ไหมตรงเนี้เนี่ยคือมันจะมาปรากฏมาเป็นกรรมมันอารมณ์กรร ม, ร ม, ร ม, รมนิมิตหรือคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นเขาถึงบอกว่าไม่ใช่เป็นอารมณ์ของเขาเรียกเป็นจะปรากฏในมรณาสันวิถีได้แปลทำมิเก่าอุบาสกทำมิเก่าอุบาสกไหยลองเล่าหน่อยที่มาโนเชเล่าดูอาจตะกระาำภาพที่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า ที่เทวดาเอาราชเชลลมารับอะเทวดาเอาราชเชลลมารับลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโอ้โหทํำจนเป็นอัธยาศัยเลยนะบอกโอ้โหทั้ทงนี้ชัดเจนเลยชนิดที่ว่าจะตายแล้วเทวดาเอาราชเชลลมาต้อนรับเลยเนี่ยต้องตาทัศยังไงยังไงไม่ต้องถึงขนาดเอาราชเชลลมารับนะคือจะตายแนละ้วยังมีเทวด า, าราชเชลลมารออยู่เลยมารับไปเลยประเภทอย่างนั้นเลยโอ้โหถ้าเรามานึกอย่างนี้นะ นึกถึงข น, นาดว่าคนดีจะตายเนี่ยเทวดาเตรียมกวาดปัดสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่หึงเนะี่ยนี่ขนาดนั้นเลยนะพวกเรานี่บางคนเขาบอกจะตายอยอมาบานก้มใจอะไรนี่มาเลยบ่อยมากนะเมื่อวานนี้มาอยู่แล้วว่างั้นนะคงเร็วนี่ใช่ไหมในในรล ก, กเมื่อวานนี้ก็เพิ่งโผล่ไปเนี่ยเดี๋ยว ก, กลับใหม่แล้วมาอยู่นานด้วยนะคนคนีคนน้คนคนคนี้อยู่นานดเ ห, นเห็นหน้าร้องรานอีกแล้ว แล้วไม่เคสไม่เก็บแต่อย่างนี้เราก้มใจเลยเทวดาหรือมาเดี๋ยวมาโยมบาลถามแล้วก็ยังไม่ระลึกอะไรไม่ได้เลยนานเลยครับแต่ในมนุษย์เรามันน้อยนิดเดียวไลยคือเขาหายใจไม่เท่าไหร่นะเราตายอีกแล้วเราไปเกิดใหม่อีกแล้วเราผ่านลงที่ไปเกิดไหมกว่าจะหลุดมาได้ก็ยากแสนเขียนอยู่แล้วเอ้าวพอได้อัตภาพเป็นมนุษย์ไอ้จิตที่น้อมไปหาบาปไปอีกแล้วไปอีกแล้วออกจากคุกแล้วกลับเข้าคุกอีกแล้วเราเป็น บางทีบอกโอ้ยสมบัตบาลเลยนะว่าจะไปกลับเข้ามาอีกแล้วนเนี่ยเอ้าวเดกลับเข้าไปซือีกแล้ ว, ลวมีเยอะจริงนะกลุ่มพวกนี้เนี่ยอย่าแปลกใจถ้าคนบาปทั้งหลายก็จะกลับที่เดิมก็เห็นอย่างนี้ก้มเลยเ น, นี่ยเขาเรียกว่าไอ้ตัวเนี้ยกรรมมาอารมณ์กรร ม, มนิมิตรอารมณ์และคติหรือคตินิมิตรอารมณ์นี่แหละจะมาปรากฏแล้วก็จะเป็นวิถีจิตสืบต่อไปนี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ดูตรงนี้ถามบอกว่า ทำที่เป็นเหตุให้วิทยภวัตติทั้งสีนี่นะคืออติมหันตารมมหันตารมปริตารามหรืออติปริตารามเนี่ยเกิดขึ้นมานะั้นะนะนะไปดูตรงไหนดูทวารดูประสาทดูดูรูปารมณ์ดูแสงสว่างแล้วก็ดูมนุิยการถามว่าทางทวารไหนเช่นในวิถีเนี่ยที่เราเริ่มเรียนแต่ ท, ทีแรกอะอติมหันตารมวิถีทางจักขุทวาริกะ อธิมหันตารมวิถีเนี่ยเขาเรียกในจกักขุทวา a n เห็นไหถ้าจากักขุทวา a เนี่ยทางทว w a ทางทวา a ตานี่นยในวิถีแรกเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าที่เป็นจกักขุทวา a ได้นั้นเป็นทวา a ของทวา a ในการที่จะทํากรรมทางตาหรือประตูทางตาหน้าต่างทางตาทีนี้จกักขุ菩萨นั้นคืออะไรแปลว่าถ้าคนที่จะทํากรรมทางทวา a น, นี้ได้วิถีจิตจะเกิดทางนี้ได้จกักขุา萨ต้องดี ต้องมีจักรคุป萨ใช่ไหมประการที่สองก็คือรูปารมณ์ส อ, อย่างเนี้มีจกักขรคสป萨หรือมีรูปอารมณ์ทีนี้ไอรูปารมณ์เนี่ยบางครั้งมาปรากฏแต่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้จกักรวิญญาณเป็นต้นเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรมีตั้งเยอะแยะเช่นถ้ารูปารมณ์อยู่ไกลจนเกินไปหรือว่าถ้ารูปารมณ์มาแล้วคนคนนั้นหลับตาอะไรอย่งี้เป็นต้นนะนะหรือว่าถ้าหากว่าท่านบอกว่าอย่างนี้ คนเข้าปฐมฌานในขณะที่เข้าปฐมฌานอยู่ถ้ารูปารมณ์เข้ามาถ้ารูปารมณ์นั้นไม่แรงคือเบาแผ่วมากอันนั้นไม่สามารถจะขยับเขยื่อนแปลว่าไม่สามารถทําให้ปฐมฌานนั้นหวันไหวได้แต่อย่าลืมนะปฐมฌานมีเสียงเป็นค่าศึกอยู่แล้วฉนันคนเข้าปฐมฌานเนี่ยจะยังยังง่ายต่อการที่จะถูกรูปารมณ์ไปกระทบกระทั่งให้หวันไหวออกมาม า, มากเขาเรียกว่า เป็นฌานที่ยังไม่เข้าถึงความมั่นคงถึงที่สุดใช่ไหมทติทย า, านนะ่ะถ้าเสียงหนักถึงจะสามารถดึงทําให้ไหวหลุดออกจากวิถีจิตนั้นได้แล้วก็เข้ามารับอารมณ์ทางทางทวารตาเป็นต้นได้เออเออทวารหูทวารหูนะครับนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นในกลุ่มของบุคคลที่เขาเข้าฌานเนี่ยก็ต้องดูว่าฌานอะไรเดีวยวเห็นไหแต่ที่น่าแปลกใจลองสังเกตดูไหมว่าคนเข้านี่โลทัสสมาบัต เรียกเขาไม่ได้ยินทําอะไรก็ไม่นั่นแต่แปลกอยู่อย่างถ้าใช้อํานาจสง์ไปเรียกแล้วได้ยินเป็นเรื่องแปลกมากนะเขาดับจิตเจตสิกหมดเลยนะจิตเจตสิกจิตจะชรูปดับใช่ไหมตอนนั้นน่ะอย่างท่านอธิฐานว่าเจดวันแต่สงมีกิจในการประชุมกันตัวแทนสง์ไปแค่รูปเดียวแค่นั้นน่ะไปยืนอยู่พออันเหมาะก็บอกว่าพระเทวะสง์ต้องการพบตัวท่านสงเรียกตัว สงจะมีกิจในการประชุมแค่เนี้หลุดออกมาจากนั่นดันดีเลยอำนาจสงครับอธิษฐานไว้ด้วยแล้วก็อำนาจสงไงเรามองดูความมหัศจรรย์ไว้ตรงเนี้ยดูไหมมหัศจรรย์จริงๆนะถ้าอย่างพวกเราเนี่ยสงใช้ไปแล้วไปเรียกโอ้โหไม่ตื่นเลยนะบางทีนะใช่ไหมขนาดอำนาจสงนะบอกให้สงไปเรียกท่านผู้นั้นหน่อยสิขเข้าประชุมเนี้ยไม่ได้เห็นความน้าคัญนกันเหมือนอนะโอ้โหท่านให้ความน้าคัญสูงมา แล้วอีกอย่างคํานอาธิษฐานไว้ว่าพระาศาสดาเรียกหาออกทันทีเลยโอ้โหทั้งๆที่ทจิตเจสิกจิตตะเชะรูปดับยมสรีมองเห็นไหมเงี้ยบอกโอ้โหขนาดนั้นนะจากนั้นจะเข้าอย่างเหมือนกับพระอุปคุณน่ะเข้านิโรธาสมาบัติอยู่ที่สะดือทะเลส่งไว้เรียกปุ๊บนี่ออกทันทีครับท่านบอกว่าอย่างนี้มีเป็นคล้ายๆว่าเป็นแก้วเจ็ดชั้น มีคือท่านคงไปที่ฐานเป็นที่อยู่และท่านอยู่ในนั้นเลยปราถนาความวิเวกจริง ๆ, ๆวิเวกได้จริงๆฉะนั้นท่านปราถนาในความสงบจริงๆเนี่ยฉะนั้นจักรคุป萨ตรูปารมณ์เนียบางทีว่าแสงสว่างมีจักรคุท萨ตรูปอารมณ์มีแสงสว่างคือโรกาเนี่ยสามประการนเนี่ยนะถ้าขาดมนุิการตัวเดียวก็เสียหายแล้ว มนมานาสิก i̇şte evet. mm hmm. านในที่นั้นค <strictly aded>. ือปัญจทวารละวชนะคำว่ามานาสิกานในที่นั้นเป็นวิถีปฏิปาทกรมนาสิกานวิธีปฏิปาทกกรมนาสิกานเป็นมานาสิกานที่ทําให้วิถีจิตเกิดองค์ธรรมได้แก่ปัญจทวารละวชนะจิตนี่แหละฮะตัวมานาสิกานไม่ใช่ชาวนะปฏิปาทกรมนาสิกานนะเพราะชาวนาปฏิปาทกรมนาสิกานได้แก่มานาสิกานที่ทําให้ชวนะจิตเกิดเพราะได้แก่มโนทวารละวชนะหรือโวทัปนาใช่ไหมหรือโวทัปนา ทางบัญจ่าเนี่นยแหละธรรมโนทวารวชนะกับทางมโนทวารลาวิถีถ้าอารมณ์ปฏิปาถาการมณติการเป็นมณติการที่ทําให้อารมณ์เกิดวงธรรมได้แก่มณติการเจตสิกเนีก็ก็ไปดูตรงนั้นทีนี้ให้สังเกต ด, ดนะูปัจใจสี่ประการเนี่ยคือจากครู菩萨คืนทางจากคุทวนนันนะจากครู菩萨ก็ไม่ได้เียว่าอ่านั้นเลยคือจากครูศา萨ต้องดีรูปารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้ามีแสงสว่างมีมณติการ สี่อย่างนี้ต้องสมบูรณ์นะครับถึงจะเป็นอติมหันตารมิถีถ้าหากว่าเกิดลดหย่อนนิดๆหน่อยๆเป็นมหันตารมถ้าหย่อนลงมาอีกเป็นปริตตารมถ้าน้อยที่สุดก็เป็นอติปริตตารมนั้นถ้าหย่อนถ้าหากว่าสมบูรณ์เนี่ยปัญจารมนั้นชื่อว่าอติมหันตารมิถีนะถ้า4ประการนี่สมบูรณ์นะี่ก็เรียกปัจจัยอุบัติเหตุสประการนี่สมบูรณ์เนี่ยอยู่หน้าไหนหนังสือเราอยู่หน้าไหน มีมีมีเออแน่นเลยมีเอาเฉลยมา่กางอุบัติเหตนี่นี่เป็นยังไงเทศเกิดขึ้นคนของทางจักุทวารถ้าทางโสตะทะวารทางทวารหูคือว่าโสตประสาทหูต้องประสาทหูต้องดีแล้วก็มีอะไรสัทธารลมคื อ, อรมมาปรากฏเฉพาะหน้าในจุลตรีเรียนมาแล้วนี่เ อ, อ้จุลตอ่ะแล้วก็อากาศช่องว่างอะ่ะต้องมีอากาศแล้วก็มี มนัสิกานี่เหมือนกันเออสังเกตดูนะการจะได้ยินเสียงต้องมีช่องว่างต้องมีอากาศอากาศต้องเข้าได้ต้องช่องว่างไนงะจ่นําในลักษณะการทําให้เสียงเข้าเข้าสู่ในการที่จะกระทบจุดตรงนั้นได้ต้องมีช่องว่างถึงส่วนทางคานทวานก็คือคานธปัสสัตมีคันธรมก็มีต้องมีวาโยไหมต้องมีวาโยไหมถ้าไม่มีลมมีอะไรต่างๆนี้ยุ่งกันนะ มันจะนํากลิ่นมากระทบประสาทได้ยังไงล่ะใช่ไหมถ้ามันไม่เคลื่อนเนี่ยเทาตัววาโยธาตไม่นําคันธารลมเคลื่อนมากระทบกับตัวคานหประสาทแล้วไม่มีทางรับรู้ต่อให้อยู่แค่นี้ก็ไม่มาครับห่างกันแค่นิ้วเดียวก็ยังไม่รับกลิ่นไม่ได้เลยต้องอาศัยวาโยธาตเนี่ยทํากลิ่นนั้นให้เคลื่อนไปเพื่อปรากฏหรือกระทบกับคานหนาประสาทจึงจะสามารถให้การการรู้กลิ่นนั้นเป็นไปได้มองเห็นไหมเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นงั้น ถ, ถ้าเกิดมีลมพัดมาฟุบแล้วเกิดว่ามันมีอะไรกันอยู่นิดหน่อยก็ไม่ได้กินนะไม่ไม่กระทบถึงหรือเกิดว่าไม่มีวายโยธาเส้นนะั้นเนี่ยไม่มีวายโยไม่มีลมอะ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆก้กันอย่างนี้ก็ไม่ได้กินขนาดนั้นเนะเรามีช่องทางการทำบุญทำบาปเยอะนะเนี่ยช่องทางของบุญและบาป มันจะเป็นอติมหันตารมณ์มหันตารมปริตอารมณ์หรื อ, อติปริตอารมก็แล้วแต่แต่ถามว่าบาปหรือบุญเกิดนี่ดูดูตรงนั้นถ้าบาปเกิดก็โอ้โหยุ่งอันนี้ถ้าบาปเกิดแล้วบาปแล้วบาปประเภทไหนเมื่อบาปประเภทนั้นเกิดแล้วทํากายกรรมวจีกรรมโนกรรมให้สําเร็จร่วร่วงร่วงเป็นกรรมรบทแค่ไหนหนักน้อยแค่ไหนก็ก็ตรวจสอบไปตรงนั้นนะ่ะคืออิทธิพลของวิถีจิตนะทางชิวหาประสาททางทวารลิ้นเนี่ยนะก็ชิวหาทวารก็คือ ชิวหาประส า, าก็คือทางลิ้นแล้วก็มีรส า, ารลมถ้ามีรส า, ารมนะ่ย ม, ม, มีต้องมีอาโปไหมต้องมีอาโปด้วยต้องถ้าไม่มีพวกน้ําพวกอะไรต่างๆทาให้นั่นนะเออไม่รู้ลดไม่ได้เลยแต่ต า, ามพระสูตรเขบอกเสมหะเป็นตัวเกลือกลั้วทําให้ได้รับรสชาติลองลองกินอาหารไปนะแล้วก็มีกล้องถ่ายภาพที่เรากินนี่ยแหละแล้วก็ปรากฏเฉพาะหน้านะแล้กินไปแล้วก็เห็น มองเห็นหมดเลยกินได้ไหมภาพนั้นกล้องจับถ่ายแล้วก็มีภาพวิดีโอเออภาพทีวีออกเฉพาะหน้าเลยให้เรามองไปกินไปก็ให้มองเคี้ยวไปก็ดูกินไปเห็นแต่เฉพาะในช่องปากโดยเฉพาะแล้วก็เห็นน้าลายเห็นลิ้นเขาเรียกว่า อ, อะไรนะไอ้ฟันทํากีดต่างเลยต่างฉากยังไงฟันฟันบนเนี่ยทำกีดต่างฉากฟันล่างทํากีดต่างครบแล้วก็ลิ้นก็นทํากีดต่างอะไรเออขอโทษดิ เหมือนกันกับไอที่ทํากิจต่างกันกัเหมือนกับทัพพีเหมือนกับไม้อะไรคอยกระแสะคอยกระแสะคอยคอยเกือกกลั่วลิ้นของคนเราก็เหมือนอย่างงี้เวลากินอาหารเนี่ยใช่ไหมอาหารนั่นก็ค่อยไปก็คอยปัดคอยคอยกวาดคอยอะไรต่างๆ่าเหล่านี้ทำกิจกันอยู่อย่างนี้ยแล้วก็ถ่ายเห็นหมดเลยนะแล้วก็ตอนนั้นก็มีเสมหะประเภทใสหรือข้นถ้าหากอยู่ข้างนอกทางทางปลายทางลิ้นก็คือใสหน่อย ถ้าลึกลงไปจากโคน ล, ลิ้นก็เริ่มเป็นสีคน ๆ, ๆ <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มเห็น <c oughs> แล้วก็แล้วก็พอกินกินเกิดกลั่วเบ็ดเสร็จแล้วก็พอละเอียดแน่นหน่อยก็พอหน้าหนองมาก็โคดภาพดูเงี่ยโว้ไม่ไหวเลยทีนี้พอคราวอย่างพวกเราแล้วเนี่ยบอกว่าพอเข้าไปในปากแล้วมันจากขรทวานไม่เห็นไงมันเลยจากขรทวานไปแล้วมนุษย์ก็เลยไม่ลังเกียจยิ่งกว่าเลยหลุมคอลงไปแล้วสิ้นเรื่องหมด หมดกิจแล้วแต่เลยหลุ้มคอลงไปแล้วก็แปลว่าโอ้โหอะไรละลอยกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วต่อต่อไปก็ยังมีพวกพ้ อ, องอีกเยอะเนี่ยลูกน้องรอข้างลาง่างอีกเยอะเลยชูหัว ช, วชวูหางกันให้วันเลยเดี๋ยวนี้เขาบอก80ตระกูลนะครับแปตระกูลนะที่อยู่ข้างล่างที่เราจะต้องคอยเลี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่ส่งอาหารลงไปเดี๋ยวมันก็วิ่งกันมาทําลายตายบ้างตับบ้างกระเพาะบ้างลำไส้บ้างที่ขึ้นมาสมองบ้าง เป็นองั้นฉะนั้นในขันทโลกในโหจึงเป็นที่ชุมนุมของเหล่าสัตว์ทั้งหลายแต่เออเออมองอย่างในวิสุธทธิมรรคไปตรวจสอบดูก็จะเห็นนะเออ <c oughs> เรามีพวกเยอะในองค์ตาทัศนนะฉะนั้นผ่านทวารผ่านหลุมคอไปแล้วไม่ต้องกลัวเรายังมีพวกที่จะต้องอาศัยเราอีกมากอันนี้ทางในละสลีละในร่างกายในผิวหนังไม่นับนะที่รอกินตามผิวหนังอีกเยอะ <c oughs> อีกเยอะมากในที่นอนเราเนะี่ยไม่รู้กี่ล้านตัวว่างนะ่ายนั่น ล้วนแต่สัตว์ทั้งนั้นที่เรานอนทับอยู่ปัจจุบันเขาเรียกไรฝุ่นไรอะไรนะไรที่นอนไรผ้าอะไรกันก็ว่ากันไปแต่จริงมีชีวิตทั้งนั้นนะครับนั่นแหละคือคือที่อยู่ของเราล้วนแต่เป็นพวกอบายสัตว์ทั้งนั้นถ้าไม่ได้มานตรีการให้ดีเรานอ น, อนที่จะไปเกิดได้ไหมเล่นและไรกันไม่ยากยาง่ายมากที่ปฏิสนธิของพวกเราเพราะเชื้อไว้หมดที่เรามีตัณหาเคยติดใจและชอบใจเน้นพยุทบ่อยไหม ได้พิจารณาบางไม้ของเราเนี่ยต้องบ่อยนะครับต้องบ่อยถ้าไม่บ่อยก็อันนันจะโทษมันเป็นโทษทั้งนั้นเลยตรึกให้ดีแล้วเราจะเห็นนั่นคือวัตตะความเป็นไปของขันท่าแตายตนะตั้งใจทักก่อนจะนอนพิจารณาปจัจจเวกที่อยู่อาศัยวานั่นแต่นี่อย่าลืมนะพิจารณาจะหอมจีวร น, นะพิจารณาไหมเออต้องพิจารณานะ่าเหมือนผ้าพันแผลเลต้องให้พิจารณาอย่างเวลาจะอ้วบาทเอาบินตบาทเลยคิดไหม ลางคิดหนึ่งบอกนี่ก็เบื้องใส่ยาอนึกอย่างนั้นไม่เพียงพอต่อการกันบาปไม่เพียงพอแค่นั้นเพราะเพราะบาปไม่ไไม่ให้คอยจ้องเกิดเฉพาะตอนนั้นมันเกิดทุกข์กันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพยายามก็พยายามได้บางหลงบ้างลืมบ้างแต่ก็ทําให้มากกันแล้วกันพยายามถ้าไม่ลืมก็พยายามกันแล้วกันมีโอกาสมีโอกาสทําแต่ไปเป็นฆราวาสอย่างยมตูรีก็หมดสิ้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอ้าวลูกร้องอีกแล้ว ไปอีกแล้วเดี๋ยวอา้าวต้องรีบวิ่งไปหงคาหงฟ้าต้องไปทำโน้นทําเนี่เดี๋ยวเสียงเพลงเดี๋ยวรถมาโอ้ยวิ่งกันให้รุ่นอยู่เนี่ยอยากมองเห็นใช่ไหมโอกาสบางคนอนพอมาพูดถึงตรงนี้บอกอการจะไปสุขตินี่ยากกันนี้หนออะไรเงี้ยอันนี้แค่จะเอาสุขตินะไม่ต้องไปเอานิพนธนิพานนะครับเนี่ยแค่นี้แค่จะเอาสุขติกันแค่นั้นแห ะ, ะเดี๋ยวเพิ่งไปพูดถึงแต่ตั้งอธัธยาศัยให้ตรงนิพานกันไว้ จะได้ตั้งอัตตสมมานิสปนิสประพฤติธรรมสมควรแก่ทำอันนี้แค่ว่าจะกันตัวเองว่าให้มันพ้นจากทุกจากตุกติเกินเนี่ยตรงนี้นะให้มันพ้นก่อนเออตอนนี้อันตอนนี้ต่อต่อให้ให้จบจบตรงนี้เสียเขาบอกว่ารูปอารมณ์ผ่านผวังไปเออผ่านไปนั้นเนี่ยผ่านไปกี่ขณะถ้าอติมหันตอารมณ์ก็หนึ่งขนาดใช่ไหมก็เข้าสู่คลองของทวาน พระวังขาจารณานี่ปรากฏธารูปารมณ์มาปรากฏก็คือก า, ก า, ารจักขู่ประสาทก็เป็นพระวังคจารณานั่ น, นี่พระวังก็คู่เฉทะนี่ก็ถือว่าปรากฏเรียบร้อยแล้วปัญจทวารลวชนะคือตัดกระแสพระวังแล้วก็พิจารณารูปารมณ์นั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อจากนั้นก็คือจกักขูวิญญาณทำทัศนกิจคือกิจเห็นเกิดขึ้นในลำดับของปัญจทวารลวชนะดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้กับ จักขูวิญญาณเกิดขึ้นฉะนั้นจักขูวิญญาณจิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย mm. ก็ทำกิจในการเห็นรูปารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ mm. แล้วก็ดับไปในขณะที่ดับไปนี่ก็เป็นอนันตระสมานตระเป็นต้นนะเป็นปัจจัยกับสัมปติชชนะสัมปติชนะใ น, ะนในคำอธิบายในหลักทั่วๆไปท่านบอกคล้ายคล้ายกับผู้รับรูปารมณ์คล้ายใช้คำว่านะไคือสำนวนที่เขาใช้กันท่านใช้อย่างนี้นะท่านจะชร่รับรับอารมณ์นั่นเลย เหมือนบอกว่าคล้ายกับผู้ก็คือคล้ายกับบุคคลไงคล้ายกับบุคคลที่ไปรับอารมณ์นั่นแหละก็เหมือนกับถ้าเหมือนกันที่มองมะม่วงใช่ไหมถ้าสัมปติชนะนี่เข้าไปบีบแล้วเข้าไปบีบรูปมะม่วงแล้วแต่ว่าเออจับรูปมะม่วงแล้วถ้าสันติรณะก็คือคล้ายผู้ไตร่สวนรูปอารมณ์วัฏฐนาคล้ายกับผู้ตัดสินเนยเหมือนกับตัดสินว่าเออดิบหรือสุกหรือกินอะไรเงี้ยเป็นต้นส่วนชาวนะก็ เจ็อารมณ์แล้วก็ตาทารมนะสองก็หาเกิดขึ้นตามสมควรแก่บุคคล น, นั้นๆไปรับอารมณ์ต่อจากโชนะหรือเป็นจิตที่ถ้าพูดตามอัตสาลีนีอัตกถาเขาเรียกว่าเสวยรสของอารมณ์ต่อจากโชนะคือรับอารมณ์ต่อจากโชนะนั่นเองหมายความว่าประเภทยังไงนะถ้าตาทารมน์ก็เหมือนกันก็บุรุษท่านนั้นกลืนมะม่วงพร้อมทั้งเสเตลท์ลงห ล, ล, ลุมคอไปแล้ว เรียบร้อยแล้วลงฟุบไปแล้วนั่นแหละเป็นการเศษสุดท้ายที่จะตกลงไปพ้นมิตรจากหลุมคอใช่ไหมที่ที่เหลือที่เหลืออารมณ์ที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยก่อนที่จะตกจากตรงนี้ลงหลุมคอไปหลุมคอผ่านลําคอลงลงหลุมคอไปนี่ตรงนั้นนี่คือลักษณะของการทีนี้ที่เราจะศึกษาก็คือวิถีจิตเดือบผวางแรกและผวางหลังใช่ไหมผวังแรกก็คือเนี่ยแล้วก็ผวางหลัง นั้นเขาเรียกว่าวิถีมุตตจิตฉะนั้นผวังแรกและผวังหลังเนี่ยก็ก็ก็ศึกษาดูว่าองค์ธรรมประการต่อไปก็คือว่าเราจะใส่องค์ธรรมของวิถีจิตวิถีมุตตจิตอย่างไรไอ้ตรงนั้นต่อไปก็จะเริ่มศึกษาถ้าหากว่าเป็นตถารัมพนะอันนี้ก็ใส่ได้10บนะเวคขาสองมาหาิบาก8ส่วนว่าเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการผวังอธิแต่ผวังผวังก็จะนะนาผวังคู่ประสิทะปัญจทวารเราชนะเต็มที่ก็หนึ่ง จากคูญญาณสองสัมป 2, มติสองสันตีสามตามเป็นอารมณ์นะนี่ก็จะเป็นไปตามอารมณ์ทั้งนั้นโอทัปนาเลชาาาา็ชาวนานี่ใส่กาม่ชาวนะได้หยิบยี่สิบเก้าถ้าใส่เต็มเ น, น, นะครับแต่จริงๆเดี๋ยวเขาจะไปแยกประเภทแล้วก็ตาลาวนาก็สิบเอ็ดก็เป็นไปตามสภาพของอารมณ์นั้นๆเดี๋ยว่วันนี้ไหนนะหนึ่งไหนหนึ่งที่กามชาวนะอ๋อฮาสีตุ ป, ปาทาจิตฮาสีก็เป็นชวนะเนี่ยฮาสีตุ ป, ปาทาจิตมีใครสงสัยอะไรไหม ถ้าไม่สงสัยวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนี่ยมีไหมทํคาความเข้าใจต่ออีกหน่อยก็คือว่าทั้งๆ ท, ที่ในสิ่งที่เรื่องเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอายุของจิตแล้วก็อายุของรูปเนี่ยสำหรับความเป็นไปของวิทย ป, ประวัติหกหรือ8อย่างนั้นดังตอนี้ขนาดทั้ง5้า อ, อุปา ท, ทิฏฐิพังค่าเหล่านี้ชื่อว่าขนาดจิตดวงหนึ่งเป็นอายุของจิตดวงหนึ่งหนึ่ง อ น, นั้นเป็นข้อบ่งบอกว่าในจิตดวงหนึ่งหนึ่งนั้นก็มีอุปาทัศขณะทีติขณะพังคะขณะใช่ไหมขณะเกิดขึ้นขณะตั้งอยู่แล้วก็ขณะดับสลายไปเนี่ยแต่ว่าส่วนขณะของรูปนี่สิส่วนระยะเวลาของขณะจิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไป17ดวงนั้นเป็นอายุ ข, ของรูปธรรมรูปหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่บอกว่าในบรรดารูปเหล่านั้นวิญญาติรูปวิญญัติรูปสองนะมีขณะจิตหนึ่ง เพระมีสภาพเปลี่ยนแปลงตามจิตใช่ไหมอุปัจจะยสัญจติรูปเป็นเพียงอาการเกิดขึ้นกันของนิพพานนรูปนะีอันนี้เจตารูปก็เป็นเพียงการดับไปชรตารูปก็เป็นเพียงขณะการตั้งอยู่ของรู ป, ปรธรรมมองเห็นไหมตรงนี้ฉะนั้นในลักษณะของถ้าวิญญยติรูปสองนี่เขาก็เป็นไปตามมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามจิตเขาเรียกว่าเกิดพร้อมกันกันกบจิตเป็นไปตามกระแสจิต คำว่าเกิดพร้อมกันกับจิตนั้นมาจากคาว่าจิตตสหพุโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับจิตฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยกายวิญญัตรหรือว่าจีวิญญัตเนี่ยก็เป็นไปที่อุปาทขนาดของจิตเกิดขึ้นใช่ไหมกายวิญญัตและว่าจีวิญญัตเนี่ยถามว่าที่บอกครั้งที่แล้วที่บอกว่าชาวนะดวงที่หนึ่งสอสสี่ห้าดเนี่ย ที่อุปาท่าขนาดของชาวนะทุกชาวนะเนี่ยก็จะทําให้การกายวิญยัติและก็วจีวิญยัตตามวัตถุประสงค์องค์ท่านผู้ น, นั้นเป็นไปแต่ว่ามันเป็นไปทีละเล็กและน้อยนะอย่าลืมนะอย่างยกตัวอย่างเช่นการยกมือเนี่ยให้สังเกต ด, ดู ว, ว่ามันเป็นไปตามกระแสจิตจริงไหม ย, ยกตัวอย่างเช่นที่อุปาท่าขนาดของปฏิสนธิของชาวนาดวงแรกใช่ไหมมันก็ทําให้อาการที่กําลังจะเคลื่อนนะ ก็แสดงว่าตัวกายวิญัตนั้นมันมันมันไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนทำให้กายนั้นน่ะหรือมือนั้นน่ะยกได้แต่เพราะปริมาณของจิตตชรูปนั้นหนาแน่นมากขึ้นด้วยแล้วก็วายโยธาที่เป็นตัวขับเคลื่อนนอะอ่ะเกิดมากขึ้นด้วยก็มีปริมาณมากเพียงพอในการที่จะยกให้กับรูปนั้นมีการไหวไปได้อย่างนี้เป็นตน้นแต่จริงๆการไหวกร ไอาการเป็นไปตามสภาพของจิตนั้นเนะ่ยเขาเป็นไปทุกๆขนาดอยู่แล้วเนะี่ยเขาจึงบอกว่าเป็นเกิดพร้อมกันกันกบจิตแล้วกับจิตตานุปริวัติโนธรรมาเป็นไปตามกระแสจิตด้วยมองออกไหมคือถ้ากระแสจิตเกิดชื่อว่าเขาเกิดกระแสจิตแปรปรวนเขาก็ชื่อว่าเขาแปรปรวนไปด้วยลักษณะเช่นนั้นเขาถึงบอกว่ารูปสองรูปคือวิญญาติรูปมีขนาดจิตที่ขนาดจิตหนึ่งเพราะมีสภาพเปลี่ยนแปลงตามจิต ส่วนรักขนารูปสี่ใช่ไหมในรักขนารูป